ช่วงตื่นเช้ามาใหม่ๆเนี่ยก็ก็ปลอดโปร่งนะ ป, ปลอดโปร่งแต่ว่าก็งงเงียนะเช้านี้เราก็ไม่ต้องอัดขยะความรู้เข้าไปก่อนนะถือโอกาสที่จิตใจเราปลอดโปร่งเนี่ยเวกอัพหมายถึงว่าเช็คอัพโยมายคือว่าปลุกจิตให้ตื่นแล้วก็ผ่อนคลายร่างกายจิตใจแล้วก็หลังจากนั้นค่อยมาเพิ่มเติม ความรู้แลกเปลี่ยนกันก็กำลังเดินมาก็อีกหนึ่งนาทีเนาะคือพอครูขอให้สถานที่เขาเนี่ยเช้านี้ต้องเปิดแอร์แล้วก็ปิดหมดอันนี้สําคัญมากเพราะ เ, าเวลาเราร้องออกมาเนี่ยเออเปิดละคือคือเสียงดนตรีเสียงอะไรไม่เป็นไรนะเขาคุ้นเคยแต่ว่าเสียงคนร้องเนี่ยอันนี้อันนี้มันมันมันเข้าไปในจิต จิตใจเลยนะมันจะเกิดแรงปฏิฆะนะโอเคเรามีแอร์แล้วเราก็ปิดประตูให้ชิดไม่ชิดด้วยแล้วก็จะได้ปลดปล่อยเต็มที่นะอันนี้สําคัญมากนะไอ้ตัวนี้ทีแรกเราเอรู้สึกเราไม่มีไม่มีแ ม, ม, ม้แต่หนึ่งคนไม่มีนะเพียงแต่ว่าอารมณ์ปัจจุบันเราไม่มีอารมณ์ที่จะร้องอันนี้เราช่วยมันหน่อยหนึ่งเหมือนเราแก้งทําก่อนเหมือนเราเปิดฝ้าก่อน พอมันไหลออกมาปุ๊บทีนี้จิตใต้สำนึกเนี่ยมันไหลออกมาหมดเลยนะมันจะช่วยอะไรมากมายแก้วได้เวลา ล, วลูกทำตัวเองให้ผ่อนคลายนะเราไม่ไม่ต้องตั้งใจ นะไม่ต้องตั้งใจที่ผ่านมาเราทำอะไรตั้งใจตั้งใจไอ้ใจมันดึงไว้ใจมันจดจอ่อมันจะเหนื่อยถ้าทำอะไรด้วยใจเนี่ยมันจะเหนื่อยอันนี้เราทำด้วยจิตนะออทำเพราะทำนะตั้งมั่นกับสิ่งที่เราทำตั้งมั่นคือเป็นหนึ่งเดียวกับมันไม่วกแวกนะมีฉันทะมีความพึงพอใจแล้ววิริยะมันจะเกิดขึ้นเองเพราะเราพอใจ นะไม่ไม่ได้ตั้งใจถ้าตั้งใจปุ๊บมันจะทําจากความอยากพอมันหายอยากปุ๊บมันจะทิ้งเนาะนะพออยากปุ๊บนี่ขยันขันแข็งจนไม่ไม่หลับไม่นอนนะแล้วพอหาอยากมันก็ทิ้งเนาะอันนี้ตั้งมั่นทำมันเป็นหน้าที่ธรรมะคือหน้าที่หน้าที่คือธรรมะมันเป็นการถ้าในภาษาโลกเป็นการดัดนิสัยเราหน่อยหนึ่งให้เราทำอะไรนี่ ยึดมั่นถือมั่นนะ่ยนะอันนี้เราไม่ทําในสิ่งชีวิตไม่เคยทํามาเต้นมาลํานี่แหละเหมือนเด็กๆเราถอยชีวิตเราจากอายุขนาดนี้ถอยไปถึงสามขวบหิวก็กินง่วงก็นอนดีใจก็เฮี้ยเสียใจก็ร้องออกมาเลยไม่มีอายนะนั่นแหละคือการปลดปล่อยนะเราถอยเรามาเป็นเด็กๆก่อนแล้วก็พอเรามีกําลังปุ๊บเราจะถอยไปตอนที่เรายังไม่เกิดนะเราจะเห็นวันแรกเราเกิดมาร้องไห้ทําไมแล้วก็ถอยไปอีกมันมาจากไหนนาะ นะแต่ถ้าเราติดบ่วงหัวโขนตรงนี้อยู่เนี่ยมันไม่ไปไหนมันดึงมันดึง อ, อุ้ยเขินวะอุ้ยอายวะอุ้ยสงสัยว่าออบุคลิกภาพมันจะเสียหมดเราจะติดตรงนี้นะตอนนี้เราทำตัวเหมือนเด็กๆอายุสามขวบนะดีใจก็เฮยวปล่อยออกมาเลยนะเสียใจก็ร้องออกมาเลยนะไม่ไม่มีมารยาทนะทุกวันนี้บางทีเราเครียดเพราะเรามีมารยาท มันไม่จบหรอกเรื่องถูกเรื่องผิดนี่มันไม่จบนะอันนั้นเป็นแค่อุดมการมันไม่ใช่ธรรมะยังมีของเธอของฉันประเทศเธอประเทศฉันอะไรอยู่นะก็ทุกคนก็ทุ ก, กันหมดนะถ้าเราเข้าถึงธรรมะเลยประเทศก็เป็นสมมุติเราไม่ทำลายสมมุติเราเกิดในประเทศนี้เราก็ต้องมีกระตันอยู่กับประเทศนี้นะทุกคนก็กระตันอยู่เพียงแต่ว่าอย่าไปหลงจนว่า มาตีกันฆ่ากันแย่งชิงกันนะเพราะเราไม่เข้าใจชีวิตนะเนี่ยชีวิตเราเมื่อเช้านี่เราอยู่กับชีวิตเราอยู่กับกายนะอยู่กับจิตอยู่กับอารมณนะ์เราอยู่กับตลอดเราเร า, เราจะเข้าใจชีวิตมากขึ้นแค่มาทำแบบนี้เนี่ยเราก็อยู่กับชีวิตต่อไปส่วนประกอบของชีวิตนี่เป็นแค่ส่วนประกอบมีก็ได้ไม่มีก็ไม่เป็นไรเห็นไหม แต่ตอนนี้เราไม่เอาชีวิตเราเอาชีวิตเราไปทุกเพื่อสร้างส่วนประกอบเราไปเรียนหนังสือเพื่ออะไรเพื่อเรียนวิชาให้มันเป็นวิชาชีพเพื่อได้มีอาชีพอาชีพไปว่าอะไรอาชีพอาศัยอย่างชีพคืออยู่ได้ไม่ตายไม่ใช่ไปเล่นเกมรวยกันตอนนี้เป็นธุรกิจการอาชีพนะนะคือคือคือแข่งขันก่อนแล้วค่อยมีจะ ก, กิน เออถ้าได้ชนะก็ดีใจแพ้ก็เลยไม่มีจะกินกู้นี่ยืมสินมากินนะโดยเฉพาะพกูอยู่พกูเป็นกลับมาจากอเมริกาพกูเลือกอาชีพเกษตรกรนะพกูทําเกษตรเพื่อชีวิตไม่ใช่เพื่อธุรกิจทํามาหากินไม่ใช่ทํามาหาขายทําอยู่ทํากินทําทานนี่คือทานสินภาวนาไม่ต้องไปทุกข์ไม่ต้องไปแย่งชิงเขาถ้าเราทําเพื่อจะขายแล้วเนี่ยเราต้องมาโอ้ทํำยังไง ให้มันผลผิดมากที่สุดนะักนะวิชาการก็มาสอนเราว่าเธอต้องใส่ปุ๋ยเคมีมยี่ห้อนั้นใส่ยาฉีดแค่นี้นะนะนะพรากครูเคยให้เด็กๆที่อยู่กับเราพวกครูมีครอบครัวใหญ่เอามาหลายครอบครัวอยู่ด้วยการทําเกษตรเพื่อชีวิตนะแล้วก็เป็นครอบครัวใหญ่ทีนี้มะม่วงเอวยอะไรขนุนเอวยปล่อยให้มันหล่นทิ้งหมดเหรเห็นไหมเพราะเรามันเหลือกินเหลือทําบุญนะ มันหล่นทิ้งมั น, ม, น, ม, นมันไม่ได้ทิ้งนะมันก็เป็นปุ๋ยให้ต้นแม่เราไม่ต้องใช้ปุ๋ยใช้อะไรเลยมีปีหนึ่งเนี่ยพ่อคูไม่ใช้แกล้งเด็กๆนะจะสอนเขาบอกบาปนะเอาของดีๆนี่ไล้สารพิษนี่มาทิ้งเฉยๆ เ, เนี่ยยังไม่รีบเอาไปแบ่งกันให้เขากินอยู่นะอยากได้เงินไม่อยากได้เงินเดี๋ยวจะพาไปเอาเงินเขาก็ไปเก็บม่ม่วงม่าม่วงเราไม่ใช่เก็บง่ายนะนะพอไปไปแย่พุดมดแดงก็วิ่งเข้ามาเลยนะ เพราะเราไม่ได้ฉีดจานะตอนนี้กลายเป็นซุปเปอร์มาร์เก็ตของชาวบ้านนะเขาไม่ได้เอามะม่วงนะมะม่วงกินจดอิ่มเขาไปเอาไข่มดแดงใช่ไหมเรามีซุปเปอร์มาร์เก็ตแล้วปีนั้นกขาเอาเข้าในเมือง เ, องเนี่ยกเกษตรเขาจัดเรื่องประกวดมะม่วงประกวดอะไรนะแล้ก็มีบูธหนึ่งไปตั้งเด็กๆไปตั้งไปเดินดูนะเขาขายเท่าไหร่กิโลนึงเท่าไหร่พันนี้ขายเท่าไหร่อย่าไปขายถูกกว่าเขานะเดี๋ยวเขาจะว่าครั้งแรกในชีวิตที่เรา เหมือนเอาไปขายนะจริงๆแลมันไม่ได้ขายหรอกมะม่วงน้ําดอกไม้เราเนี่ยมันค่อยๆโตงไงลูกหนึ่งกิโลกว่านะแล้วมันรสชาติมันแบบเหมือนมะม่วงมะม่วงธรรมชาติน่ะมันค่อยๆโตรสรสชาติมันอร่อยมากไ อ, ไ อ, ไ อ, ไอตัวที่ถูกมแมลงกินไปก็น่ะเราก็ได้ทําบุญนะปลูกให้มแมลงมันกินสัตว์ทั้งหลายเป็นเพื่อนทุกเกิดแก่เจ็บตายด้วยกันทั้งหมดทั้งสิ้นบุญที่เราสร้างเราถึงไม่เป็นแมลงไง เอาไปแบ่งปันให้เขาเด็กมันก็เขียนมันก็ขึ้นป้ายอันนี้น้ำดอกไม้กิโลหนึ่งแค่นี้แค่นี้นะพอก็มาซื้อเอาน้นดอกไม้หน่อยกิโลหนึ่งมันกิโลครึ่งไงเออกิโลหนึ่ง2 0บาทโอเคเอาลูกหนึ่งกิโลแถมอีกลูกหนึ่งอ่านะเขาว่าเขาถามหนูหนูพวกเธออาชีพอะไรนะเขาสงสัยว่าทำไมทำอย่างนี้ได้เนี่ยเป็นครั้งแรกที่เกษตรกรตั้งราคาขายเองได้นะมีความสุขมากเอาสิ่งดีๆไปแบ่งปันเขา ตอนนี้เราคิดไหมว่าธุรกิจหมดเลยทำแล้วฉันจะได้อะไรนะเออพวกพวกกูปลูกใหม่ๆนะปลูกมะม่วงปลูกอะไมีมีหกพันขวบต้นหนัดมาอเมริกาทุกพันเอาไปปลูกมะม่วงบ้านมะม่วงแก้วมะม่วงอะไรปลูกหมดนะแล้วต้องปลูกพืชยืนต้นก่อนพืชระยะยาวนะแล้วแล้วพืชระยะกลางคือกล้วยเอวยมะละกอเอวยเห็นไหมแล้วก็พืชระยะสั้นลมลุกนี่นะ คือว่าทำกเกษตรเพื่อชีวิตไม่ใช่เพื่อธุรกิจทำมาหากินไม่ใช่ทำมาหาขายเราก็เอากเกษตรนั้นะสอนเด็กๆกนะก็มีครั้งหนึ่งเขาก็อยู่ในต้นมะม่วงเขาไปนั่งเล่นอะไรของเขาไม่รู้พ่อครูเดินม า, พ, า, นมาพึ่งแตกหลังบอกอย่าพึ่งไปลูกอย่าพึ่งไปพ่อครูคุยด้วยหน่อยหนึ่งนะครูโกตอนนี้เป็นประธานมูลนิธิเพื่อผู้ด้อยโอกาสศูนย์พารานคอยนะเป็นเด็กชนบท เขาบอกว่าอยู่ที่นี่มันไม่อิสระนะเหมือนอยู่ห้องขังเนี่ยทําอะไรก็ไม่ได้เขาจะไปกรุงเทพทางานกันวันเสาร์อาทิตย์ยังไปดูคอนเสิร์ตฟรีเนาะพวกครูก็ได้ถามเอาเพื่อนเธอที่ไปแล้วมีใครบ้างกลับมามีฐานะดีบ้างบางทีกลับมาไม่มีเงินกลับมาต้องขอพ่อแม่เอาเงินมาเนาะคือคือมันเขาไม่มีไม่มีคำถามในชีวิตอยู่นี่อยู่ยังไงทําอะไรก็ไม่ได้นะ พ่อครูเลยบอกว่ามีไก่สองตัวตัวหนึ่งอยู่ในซุ้มอีกตัวหนึ่งเนี่ยอยู่ข้างนอกเนี่ยอิสระมากไปไหนก็ได้เนาะวันหนึ่งมีเสือตัวหนึ่งมาไก่ตัวไหนมันตายก่อนมันบอกไก่อยู่ข้างนอกหนไหมไอซุ้มไก่นี่มันไม่ใช่ห้องขังเนี่ยมันคือศีลมันคือเกาะป้องกันภัยแล้วปัจจุบันนี้เด็กๆ เ, เหล่านี้เนี่ย เป็นครูเป็นผู้บริหารโรงเรียนเราสองแห่งทั้งหมดทุกคนอิสระจากความเป็นหนี้สินอิสระจากเอตอิสระจากยาเสพติดอิสระจากความหลงวัตถุนิยมเห็นไหมกิเลสมันไม่ชอบเหมือนต้องการเสรีต้องการอิสระนะเพื่อทําตามใจตัวเองนะจริงๆแล้วไม่อิสระเราเป็นทาตของกิเลสแล้ว นะก็พวอครูทาที่นู่นจากวันนั้นถึงวันนี้27ป่ปีแล้วก็รุ่นต่อรุ่นแล้วก็ส่งเสริมเขาแต่ว่าไม่ง่ายนะตอนนี้เนี่ยเนื่องจากว่ากระแสลวกมันแรงมากแรงมากนะโรงเรียนเราเนี่ยรับเด็กมาจากสามตำบลนะสาหมู่บ้านมูลนิธิไปรับไปส่งห้ามเอามอเตอร์ไซค์มาห้ามเดินทางมาเอง ใครติดมือถือมาด้วยต้องมาฝาก ค, คุณครูไว้ก่อนเพราะว่าเป็นสิทธิของเขาไงแต่โรงเรียนนี่ไม่ต้องใช้ในมือถือที่มันไร้สายเนี่ยสมัยก่อนเราอยู่ในบ้านกิ้งดังโทรบ้านจะไหมพูดอะไรก็ได้ยินกันหมดไหมตอนนี้อยู่ในห้องน้ําห้องส้วมไปอยู่ในป่าก็ไม่ได้ยินเลยนะนะเด็กก็คือเด็กเขาแยกแยะถูกผิดไม่เป็นวิชาแถมเยอะแยะเลยเห็นไหม ดึงเอาวัฒนธรรมอะไรเข้าไปเนี่ยที่นี้เขายังแยกแยะถูกผิดไม่เป็นไงเราอ้างว่าเสรีนะเสรีสิทธิเสรีเนี่ยต้องอยู่ในกรอบของความถูกต้องความพอดีต้องรู้จากหน้าที่ยุคนี้นี่เด็กๆไม่ค่อยเรียนรู้เรื่องหน้าที่เรียนรู้แต่เรื่องสิทธินะเด็กไทยตอนนี้เป็นยังไงรู้ไหม พราะว่าเขารู้มากไงเพราะเขาเขาเซิร์ชอินเทอร์เน็ตเนี่เขารู้โลกเลยทุกอย่างนี้เสรีนะฉันอายุมากแล้วแม่อย่าพูดมากนะโตแล้วเดี๋ยวจะไปเที่ยวผับกับเพื่อนคืนนี้เป็นสิทธินะเออก็ไปสิหันกลับมาแม่ขอสตังค์หน่อยหนึ่งนะอันนี้ลูกครึ่งนะครึ่งผีครึ่งคนครึ่งฝรั่งครึ่งไทยเวลาจะไปไปแบบฝรั่งเวลาจะจะขอเงินขอแบบไทยเพราะคูอยู่อเมริกาไม่ใช่อย่างนั้น เด็กอเมริกันเนี่ยพ่อแม่ก็ดูแลเท่าที่ดูแลตอนเนี่ยพอเขาอยากได้อะไรที่พิเศษเด็กเขาจะไปทํางานหรือที่บ้านมีงานทําแม่มีงานทําไม่เออปกติแม่ก็จ้างคนมาตัดหญ้าอยู่แล้วโอเคสาวที่นี่เธอไปตัดหญ้าคิดเป็นชั่วโมงเหมือนกันบ้านเราฉันมีหน้าที่เรียนอย่างเดียวแต่ทําอะไรก็ไม่เป็นถ้าเราจะเอาอะไรไปสู้เขาโดยเฉพาะอายุขแข่งขันเสรีเนี่ยนะฉันมีหน้าที่เ ร, เรียนเรียนเรียนสักผ้าก็ไม่เป็นคุยกับพ่อแม่ก็ไม่รู้เรื่อง แม่พูดมาคํานึงเถียงไปสิบคาเลยเพราะแม่เต่าล้านปีเข้าอินเทอร์เน็ตก็ไม่เป็นตอนนี้พ่อครูอย่าว่าจะเข้าอินเทอร์เน็ตนะกดมือถือก็ไม่เป็นเลยยี่สิบเจ็ดปีไม่ต้องใช้มือถือแต่ไม่ได้ปฏิเสธยุคนี้ไม่ใช้ไม่ได้แต่ต้องใช้ให้มันเป็นอย่าใช้ให้มันตายทุกวันนี้เด็กเราเนี่ยเกือบ90้าเซนเนี่ยใช้ให้มันตายหมดเป็นทาตของมันหมดเราต้องใช้บรรทมประโยชน์กับเราอันนี้ไม่ใช่ใช้มาเล่นมาอะไร นะพอโทรตอนปุ๊บบอกเงินหมดวิชาหาเงินยังไม่จบเลยวิชาใช้เงินเป็นด็อกเตอร์กันไปหมดผู้ใหญ่เราสร้างสังคมเร็วๆให้เด็กมันอยู่ไม่สร้างเกาะป้องกันนะนะมีแต่ติดวัตถุแข่งขัน ท, ทะเลาะ ก, กันอยู่ดังนั้นแหละมีแต่เอาแต่ได้สุดท้ายสิ่งที่เราได้ไม่คุ้มเสียนะเพื่อเศรษฐกิจเศรษฐกิจเศรษฐกิจ 4ปีพราครูก็รอมายีบเจ็ดปีก็ไม่เห็นเป็นดีจริงล้มลุกคุกขานแล้วสุดท้ายสังคมเสียหมดเราเอาเงินมาทําไมเอาเงินมาให้ครอบครัวขัดแยงเอาเงินมาให้าขาดความอบอุ่นเหรอเห็น ไ, ไหมนี่คือทุนนิยมวัตถุนิยมแข่งขันเสรีเราหยุดมันไม่ได้มันเป็นเกมโลกประเทศไหนไม่ยอมทํามันก็บีไปไม่แซงชันกีดกันทางการค้าพม่า ก, ก็ถูกบีบมา เขแก้งเปิดขึ้นมาผู้ฐานเขายึดวิถีพุทธดีๆของเขาเห็นไหมเขาไม่ใช่อยากมากเหมือนเรานะบ้านเราอยากให้เขามาเที่ยวเนี่ยทั้งแจกทั้งแถมมันเหมือนได้นะแต่มันไม่คุ้มเสียเละหมดเลยสังคมเรียบร้อยลูกหลานเราเป็นเหยื่อหมดผู้ฐานนี่ยเขาถูกบีบเขาก็แก้งเลือกตั้งไม่ใช่ประเทศเขาเองง่ายเขาเก็บแพงๆค่าวีซา่าเขาไม่ต้องการให้คนไปเยอะนะเขาก็มีความอยากแต่เขาอยากไม่เยอะเหมือนบ้านเรานะบ้านเราเทขจาด อยากไม่กระทั่งอะไรนะภาษาไทยเฉลีย่ยเด็กเราเนี่ยสอบทั้งประเทศนี่สอบตกนะไม่ถึง50เปซ็นเป็นภาษาของมันพับบุรุษเราบังคับไปเรียนภาษาอังกฤษอังกฤษก็ทําได้บ้างไม่ได้บ้างยังเรียนภาษาอาเซียนอีกนะอะไรกันนักหนาพราะครูไ ม, ไ ม, ไม่ไม่เชื่อว่าเก่งภาษาแล้ว คุณจะเอาชีวิตรอดหรือว่าคุณจะมีทักษะในชีวิตภาษาเป็นแค่วิชาหนึ่งที่คุณไปท่องจำของประเทศอื่นเขามาตอนนั้นเองเพราะกูยูเมกาเพราะกูมีร้านอาหารนะตอนมีร้านอาหารนะใช่หมไ อ, อคนพูดภาษาอังกฤษเก่งเนี่ยเป็นคนท้องถิ่นเป็นคนนั้นน่ะมีหน้าที่เทขยะกับล้างจานอยู่หน้าร้านพวกปศเสริว์อะไรต้องเป็นคนเอเชียเราเ น, เรา เ, นเราเป็นร้านไทย เหเขาพูดอังจิตเก่งมากเขาทำงานเทขยะกับล้างจานเราเข้าใจว่าพูดภาษาอังกฤษปุ๊บเราจะสมเร็จในชีวิตเนี่ยอันนี้พ่อครูไม่เชื่อเราก็รู้แค่ภาษาหนึ่งไม่ใช่ภาษานี่นทำให้เราฉลาดขึ้นไม่ใช่แค่ไปท่องจาภาษาเขาแต่นเองมันไม่ได้เกิดทักษะชีวิตอะไรเห็นไมการศึกษาก็ล้มเหลวตอนนี้เนื่องจากเราเห่อตามเขาสังเกตดูนะ เพื่อนบ้านเราเนี่แหละอะหรือว่านายกรัฐมนตรีญี่ปุ่นมาเมืองไทยเขาพูดภาษาอังกฤษไหมโน้ม no, <No. S 2> เขาไม่โง่อเขาพูดภาษาญี่ปุ่นคุณจะแปลคุณก็แปลเอาเอางประธานที่บุรีรัตเซียเคยมาเมืองไทยก็ไม่พูดภาษาอังกฤ ษ, กฤษเขาไม่เห่อไงนะเอาละมันเป็นมหาอำนาจมันกล้าทําไม่ใช่นะนายกพม่ามาเมืองไทยเนี่ยก็ พูดภาษาพมา่านายกคุณเซนนี่มาเมืองไทยกขาพูดภาษาเขมรเขาไม่บ้าเหมือนบ้านเราความเป็นชาตินิยมไม่มีเลยแล้วมันจะเป็นรักชาติได้ยังไงนี่ละ่ะวิ่งตามเศรษฐกิจเศรษฐกิจแล้วก็ทะเลาะ ก, กันท้งบ้านทางเมืองครอบครัวไม่มีความอบอุ่นเพราะเราขี้เห่อมากเกินไปเราไม่ความมีความภาคภูมิใจของความเป็นไท ย, ยงไงนั่นแหละทั้งหมดก็คือเราไม่เข้าใจชีวิต ชีวิตเราคือต้องมีวัตถุมีอะไรเยอะๆไปทะเลาะกับวัตถุจนให้ชีวิตเนี่ยนอนไม่หลับเครียดเนี่ยนะเนี่ยตอนเช้าทุกเช้าเนี่ยเรามาเตรียมตัวร่างกายจิตใจหลมดึงให้เรามาอยู่กับชีวิตเราจะเห็นมันเห็นมันเห็นมันแต่เราเราจะรักชีวิตเรามากขึ้นเราจะเข้าใจชีวิตมากขึ้นแต่ชีวิต ต, ต้องดำรงอยู่ยุคนี้เราไม่มีอาชีพไม่ได้อาชีพเป็นหนึ่งในมรรคมีองค์8ดทางไปสู่การพ้นทุกง่ายเพื่ อ, อยังชีพไม่ใช่ไปเล่นเกมรวยกัน คำว่ารวยเนี่ยมันอันลิมิตมันไม่มีขอบเขตจำกัดนะคำว่าเศรษฐีนี่รู้เปล่าคืออะไรนะคำว่าคนรวยกับเศรษฐีนี่ต่างกันนะนะตอนนี้สังคมไทยคนรวยเยอะคนจนก็เยอะแต่เศรษฐีไม่ค่อยมีไม่มีเศรษฐีคือต้องมีเสียดเศษส่วนเกินนางวิสาขานั่นเศรษฐีตัวจริง ก็มาเชียงใหม่นี่ก็เจอบ้างเริ่มจากเจอคุณหมอก่อนเป็นคุณหมอดีๆสบายดีๆแล้วก็ยังเสียสละเวลามาทําสิ่งนี้นี่เศรษฐีเออมาเจอมเมื่อวานนี่เจออาจารย์หมอมเนี่ยนะนี่คือเศรษฐีแต่เศรษฐีใหญ่ๆ ใ, ในเมืองไทยเนะี่ยเท่าไหร่ก็ไม่พอใหญ่เล็กกินเรียบเอาหมดเลยอันนี้เป็นแค่คนรวยเขาไม่ใช่เศรษฐีคนรวยคือมีเงินเยอะเท่านั้นเองแล้วก็รวยไม่ได้แปลว่าสุ รวยไปว่ามีเงินเยอะจนไม่ได้แปลว่าทุกคือมีน้อยเท่านั้นเองหรือไม่มีเพราะครูมา27ปีกว่าไปหมู่บ้านนั้นนะห่างจากหมู่บ้านเพราะครูอยู่ในป่านะ่ยเขาไปช่วยหมู่บ้านเขาเออไปสร้างวัดให้เขาสร้างโรงเรียนให้เขานะตอนนั้นเขาเป็นคนจนอยู่ดีๆนะเขามีความสุขนะไม่มีกเงินเลยบังเอิญเราอยู่ริมเขื่อนลงไปในน้ำก็ได้ปลามาเข้าไปในป่าได้หน่อไม้ได้เห็ดได้สมุนไพรมา เขาไม่มีเงินเขาก็อยู่ดิดีเนี่ยเห็นไหมเออฉันป้อนเธอเธอป้อนฉันฉันรักเธอเธอรักฉันเห็นไหมตอนนี้ไอนนาาน้นักวิชาการเนี่ยนะนักวิชาการเนี่ยไม่ใช่เป็นนักวิชาการคนดีก็มีคนเลวก็เยอะนะคนดีก็มีคนคนเลวก็เยอะคนจนคนดีก็มีคนเลวก็เยอะมันมีทั้งหมดแหละเขาก็ทําตามนโยบายนะส่งเสริมว่าเออเธอไม่ก้าวหน้าไม่มั่นคง ก็มาสอนวิชาชีพให้เข า, อ ย, า, อ, ยาอย่างนั้นอย่างนี้อย่างนั้นอย่างนี้หวังดีนะมาส่งเสริมเขาส่งเสริมพัฒนาจากคนจนกลายเป็นคนความยากจนตอนนี้เขายากจนแล้วนะตอนนั้นเขาจนอยู่เฉยๆจนอยู่ดีๆเขาไม่ยากตอนนี้ยากทาไมเขาเป็นหนี้แล้วเขาเป็นหนี้แล้วไม่จ่ายไม่ได้ถูกยึดที่ยึดทางหมด เขาไม่ไดเรียนรู้วิชาวิชาบริหารเงินวิชาธุรกิจไงแลวหวังดีกลายเป็นประสงค์ลายเนี่ยตอนนี้เนี่ยกลายเป็นคนยากจนทั้งหมดเพราะครูพยายามเอาเพราะครูเอาไม่อยู่เพราะครูบอกว่าเพราะครูแพ้แล้วนะแต่ไม่ใช่พูดเพื่อไม่ทำนะก็ยื้อเท่าที่ยื้อได้เพราะครูยอมแพ้คนเผชนะกิเลดดีกว่าแพ้กิเลดเผชนาคนนั่นแหละ คนที่ไปหลงว่าตัวเองรู้รู้ทุนก็รู้วิชาการน่คุณไม่รู้วิถีชีวิตเขาจริงๆเขาอยู่ดีๆของเขาเนี่ยคุณจากจนอยู่ดีๆนะจนอย่างมีความสุขคุณไปทำให้เขายากจนเพราะครูเคยเขียนอยู่ในเกษตรเพื่อชีวิตนะนะลุงคนหนึ่งขายกว๋วยเตี๋ยวขายตอนเช้าจนถึงเที่ยงปุ๊บเก็บกวาดร้านปุ๊บเนี่ยบ่ายสามปิดละ มานั่งตีขิมองเพลงมีความสุขมากเลี้ยงลูกจนจเจริญเติบโต ว, วันนึงขายแค่พันบาทลูกก็กินกว๋วยเตี๋ยวตัวเองจนจเจริญเติบโ ต, ตเป็นอดีตอธิการบดีมหาลายัยอุบลเพราะแกดร์อะไรพราะครูจําชื่อไม่ได้พอเห็นหนังสือเล่มนี้วิ่งไปหาพ่อครูเลยนะตอนนั้นเขาเป็นคณะคณบดีวิศวกรรมศาสตร์ขอพิมพ์กเกษตรเพื่อชีวิตห้าพันเล่มไปแจกอะไรเนี่ยนะพ่อครูเขียนในนั้น ปริยาตีแค่นี้โทรแค่นี้เอกแค่นี้ยิ่งแหลมก็ยิ่งคับแคบยิ่งคมยิ่งปอบบางมองอะไรเรื่องเดียวเหมือนนักวิชาการมองวิชาการไม่เห็นปัญหาเขาจริงๆเขาจนอยู่ดีๆมาสอนให้เขายากจนเนี่ยแบบนี้ไงเปอบบางมากแต่ต้องไม่ได้เลยเห็นไหมยิ่งแหลมยิ่งคับแคบยิ่งคมยิ่งปอบบางอัตราเยอะมาก แต่ถ้าเราฝึกในสายจิตวิญญาณยิ่งปฏิบัติยิ่งลดตัวตนยิ่งไม่มีตัวตนนะเมื่อเรามีไม่มีตัวตนแล้วใครจะแทงเราถูกไหมใครจะด่าเราถูกไหมนั่นแหละคือทางพ้นทุกข์แต่ยุคนี้การศึกษาสอนให้เราสร้างตัวตนมากขึ้นอัตตามากขึ้นไปไหนก็แบกไปด้วยแล้วมันจะสุขได้ยังไงนะก็เห็นเห็นทั้งหมดเลยเห็นก็สักแต่ว่าเห็นพระคูไปเปลี่ยนโลกไม่ได้แต่พระครูก็ทําในสิ่งที่เราพอทําได้มาแบ่งปัน เราคิดว่าเราเก่งนะบ้านเมืองเราอยู่ดีๆ ย, ยังทะเลาะ ก, กันไม่เลิกยังครอบครัวทะเลาะไม่เลิกยังจะไปอาเซียนอีกนักวิชาการเศรษฐศาสตร์เรียนอยู่ที่ยุโรปก็บอกโอ้ต้องต้องบวกอียต้องรวมกันเป็นพลังต่อรองเขาเรียนทฤษฎีกลับมาปุ๊บต้องอาเซียนพลังต่อรองไม่หันกลับมาดูเลยว่าตอนนี้อียูมันเป็นยังไงนี่คือวิชาการไงอ ย, ยัง แก้ปัญหายังไม่เสร็จเลยใช่ไหมบ้านเรายังทะเลาะ ก, กันยังไม่เสร็จครอบครัวเราอะไรเรื่องทะเลาะ ก, กันเป็นธรรมดาแล้รักชอบไม่เหมือนกันนะแล้วก็ค่อยๆจูนกันไปถ้าจับเข่าคุยกันไม่เป็นไร น, นี่ยังจะไปอาเซียนไปอาเซียนไปอาเซียนไม่เคยมาถามเราเลยว่าเธออยากไปไหมเพราะไปอาเซียนไอ้คนบางคนเนี่ยในหนึ่งอร์เเนี่ยเขาได้ประโยชน์ไงทุนข้ามชาติเนี่ยแต่คน ทุกสาขาอาชีพระวังนะเตรียมตัวลำบากละการแข่งขันยื้อแย่งมันจะมากขึ้นเริ่มจากกรรมกรและเกษตรก ร, ร, กรตอนนี้พวกกู อ, อยู่ในชายแดนนะมันกันดานมากเขาก็ปลูกมันทำบหลังนะพออาเซียนวันแรกปุ๊บเปลี่ยนขนมาจากประเทศลาวเนี่ยคือหนึ่งรถสิบแปดล้อนี่เป็นร้อยๆคันเลยแล้วยังไงต่อไปกรรมกรก็ตายเกษตรก ร, ร, กรต่ทุกสาขาอาชีพต้องทางานหนักขึ้นเพราะว่าอาเซียน ชีวิตเราไม่ได้ดีขึ้นนะก็นีเล่าให้ฟังนะถ้าเราพร้อมความเป็นไทยนี่เราอยู่ดีๆของเราภูมิประเทศเราเนี่ยดินน้ําลมไฟหมายถึงว่าสี่ภาคเราเนี่ยอีสานก็บอกอีสานแรงนะเนี่ยพบกู้เกิดที่อีสานนะตั้งแต่เกิดมาไม่เคยเห็นโขงชีมูลมันแห้งเลยนะประเทศอื่นที่เขาแล้งคือว่าหน้าแรงคือแม่น้ําคุณเหลือแต่หิน น, ะนั่นแหละคือแล้งจริงๆ บ้านเราทางเหนือเนี่ปิ่งวังยมน่านนะภาคกลางแม่น้ำเจ้าพยาแม่น้ำปลาปีไม่เคยแห้งอุดมสมบูรณ์แต่เราไม่ชอบเราไม่พอใจที่เรามีเราถูกหลอกให้ไปเล่นเกมอะไรก็ไม่รู้นะพ่กคูใช้คำว่าเสียดายพ่อกูไม่ได้พูดในฐานะเป็นชาตินิยมหรือเผ่าพันธุ์นิยมพูดในฐานะธรรมชาติเผ่าพันธุ์ เราเป็นนกกระจิบแล้วก็กินอาหารอยู่เนี่ยบังเอิญมีเสือมันวิ่งมาลรวบอกเฮ้ยอันตรายนะพรากูแค่บอกส่วนใครจะหนีทันไม่หนีทันก็เป็นเรื่องเฉพาะตัวมันเป็นสัญชาตญาณ น, นะก็มีโอกาสก็ดึงเวลาก็เดี๋ยวอีกหนาทีทานข้าวก็เชิญพักผ่อนไปทานข้าวเนะแล้วก็พบกันเวลา9ก้าโมงครับเชิญครับ จริงๆแล้วเนี่ยมนุษย์เราที่ว่าเป็นเรียกว่าเป็นสัตว์สังคมเราอยู่กันแบบรวมกลุ่มรวมรวมหมู่นะในการรวมกลุ่มรวมหมู่มันก็เกิดพลังนะโดยเฉพาะวิถีไทยเราสมัยโบราณเราอยู่กันแบบครอบครัวใหญ่ครอบครัวใหญ่นะปู่ย่าตายายพี่ป้าน้าอาเห็นไหมอยู่รวมหมู่นะพอถึงเวลาทำนาเนี่ยก็ปุ๊บ ช่วยกันลงแรงงานเราก็พอเห็นไหคือคือคนกี่คนก็ช่างเราเสียแม่บ้านคนหนึ่งเขาไปทำอาหารเรานึ่งข้าวกระป๋องหนึ่งกระสิบกระป๋องก็ใช้คนเดียวใช้เตาเดียวแต่ความคิดแบบปัจเจกของตะวันตกเข้ามาแล้วต้องการเสรีนะสมมว่าครอบครัวหนึ่งนี่มีลูกห้าคนมีที่นาห้าสิบไร่ คนนี้แต่งงานก็ไปแบ่งไปสิบไล่สิบไล่สิบไล่ไลกลายเป็นครอบครัวเล็กเพราะเราต้องการเสรีต้องการอิสระทีนี้เราทำงานเป็นฤดูกาลพอทำนาปุ๊บแรงงานเธอก็ไม่พอฉันก็ไม่พอตอนนี้กลายเป็นว่าต้องไปทำงานกรุงเทพปุ๊บก็เอามาฉันจ้างเธอเธอจ้างฉันระบบความอบอุ่นแบบครอบครัวใหญ่เนี่ยร่วมสลายหมดเราได้อย่างเราจะเสียอย่างตลอด นะคนแก่ตอนนี้น่าสงสารมากที่อเมริกาเหมือนกันนะนะพอมันไม่มีความหมายแล้วก็ติ้งไปอยู่ศูนย์คนแก่คนชราปีนึงอาจจะเห็นลูกเต้าทั้งหนึ่งคือวันคริสต์มาสมันเป็นชีวิตที่มันไม่มันขาดความอบอุ่นความสุขไม่ใช่ว่าฉันมีอยู่มีกินมีเงินมากมายซื้ออะไรก็ได้มันไม่ใช่นะตอนนี้สังคมไทยก็เริ่มเป็นอย่างนั้นแล้ว นะเป็นชีวิตแบบปัจเจกนะปีตอนนี้อเมริกาก็มีปัญหาแบบว่าบางทีบางครอบครัวลูกไม่ต้องการรับโมร ด, ดกเพราะเขาถูกฝูกฝังแบบว่าเป็นฮีโร่ต้องสู้ด้วยตัวเขาเองพออายุ18ปีปุ๊บบายบายเพราะแม่มันหิ้วกระเป๋าออกไปบ้านถ้าจะเรียนต่อเขาก็ไปทำงานเรียนเขาฝึกให้ตัวเขาเข้มแข็งมันเหมือนดีอย่างหนึ่งแต่มันได้อย่างหนึ่งมันก็เสียอย่างหนึ่งนะ กลายเปนว่าต่อไปแก่ปุ๊บแล้วก็ถูกทอดทิ้งเหมือนเราทอดทิ้งพ่อแม่ก็เป็นกรรมแก่ปุ๊บแล้วก็ถูกทอดทิ้งก็เป็นชีวิตที่โล่งดีนะว้าเวมนุษย์ไม่ใช่อย่างนั้นกลายเป็นหุ่นยนต์หมดทีนี้สังคมไทยเราก็ไม่ระวังตัวนะเออเราก็ไปเรียนนอกนอกเมืองนาก็เอาสิ่งที่เราหวังดีเอาสิ่งดีๆจะมามาม า, มาทาให้คนไทยเป็นอย่างนั้นแต่เอามาไม่ ถึงไม่เอามาทั้งหมดก็ช่างชีวิตทางนวนเขาก็เป็นแบบว้าเหวเดียวดายทีนี้คนแก่กลายเป็นของไม่มีค่าจริงๆแล้วคนแก่เนี่ยนะคนชราเนี่ยมีค่าที่สุดถ้าเป็นเราพูดภาษาชาวบ้านก็เป็นตัวประสบการณ์เป็นตัวประสบการณ์เห่ไหมเอาอยัางหนุ่มสาวออกไปลงล ง, ลงไล่ลงนาลงอะไรปุ๊บเนี่ยไอ้ลูกหลานก็อยู่กับคนแก่ซึ่งมีประสบการณ์เห็นไมนะ ก็ดูแลลูกหลานเราสอนให้อยู่ในในในมรรคในทางในจริยวัตรที่มันควรจะเป็นแต่ตอนนี้สังคมเริ่มไอวิถีที่พระครูบอกเนี่ยเริ่มล่มสลายไปแล้วนะเมื่อเช้าก็พูดค้างไว้นะเพราะเวลามันจำกัดก็คำว่าคนรวยกับเศรษฐีนะคนรวยคือคือมีเงินเยอะนะแต่ยังไม่มีเสียส่วนเกิน นะเพราะยังไม่พอก็มุ่งมั่นหาเพิ่มหาเพิ่มนะเพราะยังไม่มีเศษส่วนเกินส่วนเศรษฐีนั้นแน่นอนเขาต้องมีส่วนเกินแล้วเขาก็ยอมแบ่งปันแบ่งปันเรื่องทรัพย์สินเงินทองก็ดีเรื่องความรู้ก็ดีเรื่องเงื่อนไขเวลาก็ดีแต่ถ้าคนต้องการเป็นคนรวยเนี่ยเวลาก็ไม่มีที่จะทําความดีเพราะว่าเวลายี่สี่ชั่วโมงของเราหาเงินเพื่อจะรวยกว่าคนอื่นยังไม่พอเลย นั่นคือคนรวยเศรษฐีเนี่ยแน่นอนเขาก็ต้องรวยระดับหนึ่งเขาต้องมีส่วนเกินไม่ใช่เรื่องเงินทองอย่างเดียวนะเรื่องสมนึกเรื่องเวลานะ เ, เขาก็ต้องมีเมตตามากขึ้นนี่คือเศรษฐีทีนี้ระหว่างคนรวยของเมืองไทยกับคนอินเดียเนี่ยต่างกันฟ้ากับดินเลยนะอินเดียเขามีเศรษฐีเยอะมากแน่นอนสังคมทุนนิยมเสรีเข้าไปแล้ว มันก็มีความเหลื่อมลำ้ำแต่ความเหลื่อมล้ำของเขาเนี่ย น, น่ารักมากคือเขามีชั้นวรนะนั่นแหละมันยังมีอยู่ใกลๆแต่ว่าทุกคนยอมรับในความเป็นของตัวเองนะนะชั้นเป็นขอทานเขามีความสุขกัการเป็นขอทานเขายินดีในความเป็นขอทานนะแต่เศรษฐีของเขาเนี่ยเขไม่ใช่ว่ามือยาวสาวได้จะเอาจนจนลืมคนคนข้างล่างพรากูไปเร็วๆนี้อ่ะนะ น่าจะมีประเทศเดียวในโลกหรือเปล่าก็ไม่รู้นะเพราะยี่สบกว่าปีไม่ค่อยได้ไปไหนนะวันหนึ่งไม่รู้กี่เวลาเนี่ยนะเพราะกูยังไม่หารายละเอียดเนี่ยแม้กระทั่งสนามบินานานาชาติเนี่ยโรงแรมชั้นหนึ่งก็ช่างเขาปิดไฟสมนาทีเพราะกูถามว่าทำไมนะปิดไฟสามนาทีถ้าสำหรับเมืองใหญ่ใหญ่ถ้าในแง่เศรษฐกิจถือว่าเสียหายมากนะ แต่เขาปิดไฟเขาบอกว่าไอปิดสารมาทีแต่และช่วงเนี่ยเอาไฟฟ้าตรงนี้เนี่ยไปให้กับคนจนนะวะเขารักษาวัฒนธรรมของเขาอยู่เขาไม่ได้องเศรษฐกิจมากจนกว่าจะทิ้งสังคมตรงนั้นแล้วก็ปีที่แล้วนี่เองมีบริษัทหนึ่งเนี่ยเขาค้ากำไรได้ที่เป็นเือนไทยเป็นไม่ใช่สอง่ล้านบาทนะเขาบอกว่าไม่ใช่เข า, เขาทําคนเดียวนะ เพื่อนร่วมงานช่วยกันทำหมดอ่ะลูกน้องเขาหลายร้อยคนคณะกรรมการบริหารก็มีมติว่าซื้อรถเก๋งแจกทุกคนเลยแล้วก็แจกคอนโดคนละห้องนี่คือเศรษฐีของเขาไงแต่บ้านเราทำได้ไหมไมออ่มีแต่คนรวยไงเรายังไม่พอไงเดี๋ยวเราแจกไปปุ๊บเราก็สู้คนอื่นไม่ได้คือสังคมเขายังยึดทางเรื่องจิตวิญญาณอยู่จะเป็นศาสนาไหนก็ช่างนะเขาไม่ทิ้งลากงา่า แต่บ้านเราเราเกิดมาบุญเยอะมากมาเจอพุทธศาสนาที่พระครูบอกกันนะอาจจะเป็นพุทธที่ใหญ่ที่สุดในโลกนะถ้าคิดเป็นเปอร์เซ็นต์ไม่จะคิดจำนวนคนนะเพราะประชากรเรามันน้อยเราใหญ่ที่สุดในโลกนะเพื่อนฝรั่งพระครูมาจากอเมริกานะเราลักกันนะเขาก็ห่วงพระครูเอ๊ะสิ้นไลไม่ให้ต่อหรือเห็นมาอยู่ดีๆกำลังบูมบูมบามบาๆหาเงินอยู่นะทิ้งตุ๊บมาเลยเป็นบ้าหรือเปล่านะ เขาก็เมืองไทยเขาไปอ่ า, อานหนังสือพิมพ์เมืองไทยแล้วเขาดูข่าวเมืองไทยมันฆ่ากันทุกวันข่มขืนกันทุกวันเขามาถามพ่อกูไงบอกว่าเมืองพุทธไงไงบอกพุทธดีไงเห็นไหม <c oughs> นั่นบอกห้ามข้ามฆ่าสัตว์ไงทําไมคนฆ่ากันทุกวันนะหลายปีก่อนนะพ่อกูก็เออหันมามองเออมันก็ใช่แต่เนืงจากจิตพ่อกูมองแล้ว มันเป็นเรื่องธรรมดาที่ไหนมีสิ่งที่ดีที่สุดจะมีสิ่งที่เวลวยที่สุดเมื่อเรามีนิพพานแล้วเราจะมีนรกมีเปรตสุรลกายมันเป็นของคู่นะมันก็เป็นอย่างนี้แหละแต่บังเอิญว่าเสียดายว่าเราเจอของดีเราไม่ค่อยค่อยไม่ค่อยให้ความสำคัญของดีมากนะักกิเลสมันไม่ชอบหรอกเราะของดีที่เราว่าเนี่ยเราจะกิเลสมันจะหลอกเราไม่ได้กิเลย่อมไม่ชอบ มันก็เลยตีกลับไปเลยไปในทางกิเลสน่าเกือบทั้งหมดจนเอาความคิดแบบนี้เนี่ยมาสอดแทรกกับเรื่องการศึกษาของชาติเน้นแต่ให้มันเก่งเวลาเขาสอบกันเนี่ยเขาประเมิอนอะไรรู้ไหมประเมินว่าใครเก่ ง, ว, ากานะ ง, งวิชาการนะมหาวิทยาลัยดังๆเนี่ก็ประเมินวิชาการน่ยใครเก่งวิชาการก็ถือว่าคนนั้นเก่ง แต่บางทีไม่มีสํานึกทําอะไรก็ไม่เป็นเอาเปรียบคนอื่นเนี่ยคนเก่งของเราหมายถึงอย่างนั้นจริงๆแล้วสังคมเนี่ยถ้าเราคิดสังคมองค์รวมเอาแง่ชีวิตเป็นที่ตั้งเนี่ย <c oughs> ถ้าคนเก่งจริงๆไม่ต้องเรียนนะะให้คนที้ขี้โง่โงมาเรียนดีกว่าให้มันเก่งคนเก่งมันเอาตัวรอดแน่นอนแต่เนื่องจากว่าเราไปติดเรื่องเกมแข่งขันเสรีเราต้องการคนเก่งๆมาแข่งกับประเทศอื่นมาถึงเละไปทั้งโลกเลยเห็นไหม คือคนดีก่อนคนมีสํานึกก่อนนะโรงเรียนพวกครูเนี่ยพ่อครูตั้งเขาเรียกว่าอะไรปัชญาของโรงเรียนอะไร เ, เด็กๆผู้บริหารมาบอกพก่อครูช่วยเขียนหน่อยว่าเออเราสอนให้เด็กเราเนี่ยเป็นคนที่ฝ่ายเรียนรู้รู้อะไรรู้ไหมรู้ผิดชอบชั่วดีรู้บาปบุญคุณโทษรู้กฎแห่งกรรมรู้รับผิดชอบตัวเองกับสังคมนี่คือความรู้ ไม่ใช่ไปรู้วิชาการแล้วก็เอาวิชาการเป็นเครื่องมือมาหําหันกันตอนนี้นะแล้วสังคมมันจะเป็นยังไงทั้งหมดคือเราไม่เข้าใจชีวิตให้เขารู้บาปบุญคุณโทษรู้รับผิดชอบตัวเองกับสังคมรู้ลวกบาปบุญคุณโทษกฎแห่งกรรมนะเมื่อเขารู้ตรงนี้แล้วเขาจำเป็นต้องไปเรียนรู้วิชาใดเนี่ยเขาจะมีความรับผิดชอบในสิ่งที่เขาทาเดี๋ยวเขารู้เอง สอบเข้าโรงเรียนดีๆก็เอาแต่คนเก่งๆวิชาการเข้าไปก่อนไอ้คนไม่เก่งก็เลยพลาดโอกาสผู้ใหญ่เราทําร้ายเด็กมากเด็กมันก็ฝ่ายดีไงมันก็อยากเรียนโรงเรียนดีๆแต่ไม่มีโรงเรียนดีๆมารองรับมันสตว่าเอาร้อยคนมันสอบได้คนที่ร้อยหนึ่งมันก็เลยไม่ต้งเข้ามันก็เสียใจเป็นสังคมที่บางทีไม่รู้จะไปทางไหนนะขับสนนะถอยมาเป็นไทยก็ไม่ได้จะเป็นเหมือนเขาก็ไปไม่ถึงมาแต่ทะเลาะ ก, กันอยู่อย่างนี้นะ เด็กกลายเป็นแพะรับบาปนะการศึกษาต้องเรียนรู้ไม่ใช่ไปเรียนแบบตอนนี้การศึกษาเป็นนักเรียนแบบไม่ใช่นักเรียนรู้วิชาที่เราเรียนเนี่ยเจดปดเอนอกมาจากตะวันตกหมดไม่ใช่ตะวันตกเขาไม่ดีนะเพื่อนฝรั่งบกูนี่รักบกูซินเซียแล้วเขาเป็นคนดีนะแต่นโยบายเขาเป็นแบบนั้นนะ่ะเขาเป็นวัตถุนิยมนะ่ะนะก็เป็นเรื่องของเขา แต่เรื่องของเราเนี่ยเรากลับไม่เอาเรากับไปทิ้งของเราจะไปเอาของเขานะเราเป็นนกกระจิบนกกระจอกเราจะไปเล่นเกมพยาอินซีอย่างเงี้ยนะนี่คือเนื่องจากเราเป็หลงความรู้เราขาดปัญญาเป็นสังคมซึ่งมากด้วย knowledge knowledge base คือความองความรู้แต่เป็นสังคมที่ขาดปัญญานะ เอาเธอเรียนรู้ได้ฉันก็เรียนรู้ได้ก็เท่ากันสมัยก่อนพราะคูเป็นเด็กๆอยู่ที่อุบลเขาเรียกว่าซอยถนอนอุบลศักนะเออคุณสมบัติเมธนีนี่ก็ถือว่าเป็นรุ่นพี่เพรากูปีสก็อยู่ในในชุมชนนั้นนะคุณยายคนนี้ขายกล้วยปิ้งคุณยายคนนั้นขายกล้วยทอดคุณตาคนนั้นขายเต้าหวคนนายวคนนั้นขายเต้าส่วนนะมีคนย้ายมาใหม่ก็เดินดูเดินดูเออข้าวติว่วยังไม่มีคนขายก็มาขายข้าวต๋ยว เห็นไหมไม่ต้องแข่งกันต่างคนต่างอยู่อยู่ร่วมกันอยู่ร่วมกันต่างคนต่างอยู่ชั้นรักเธอเธอรักชั้นบางทีเขาเดินมาทนันทีเออมีก๋วยเตี๋ยวไหมเออร้านนู้นร้านนู น, นเขาไม่ได้อิจฉากันแล้วทุกคนต้องเลี้ยงลูกจนเจริญเติบโต เ, เมื่อเช้าก็ค้างอีกหนึ่งคือว่าร้านก๋วยเตี๋ยนั่นแหละเห็นไหมวันนึงเขาขายแค่พันบาทเขาขายตอนเช้ากับตอนเที่ยงปิดปุ๊บล้างทําความาสะอาดเขาก็นั่งตีขิมร้องเพลง ทีนี้นักวิชาการมาบอกเขาว่ามันไม่เจริญเติบโตคุณทำไมไม่เปิดพัฒนาคารถ่ะจะให้บอกธนาคารให้เครดิตอะไรเนี่ยก็ไปกู้หนี้ยืมสินธนาคารมาเปิดพัฒนาคารใหญ่โตตอนนี้ขายได้วันหนึ่งเป็นหมื่นนะแต่ไม่พอจ่ายหนี้ตอนพันหนึ่งอ่ะเลี้ยงลูกจนเจริญเติบโตเห็นไหมตอนนี้รายรับมากกว่าเก่าไงเป็นหมื่นไง แต่ค่าใช้จ่ายมันเยอะขึ้นเที่ยงคืนยังไม่หลับไม่ไดนอนเห็นไหมจเจริญไปว่ามีมากขึ้นเติบโตไปว่ายิ่งใหญ่ขึ้นไม่ได้ไปว่ามั่นคงไม่มั่นคงสมัยก่อนเนี่ยขายก๋วยเตี๋ยวมั่นคงมากจนลูกได้เป็นอธิการบดีมหาวิทยาลัย